ลงจากรถอย่างหวาดหวาดแล้วอ้อมมาเปิดประตูให้ท่านลงอีกด้านหนึ่งฟูงสุนัขวิ่งกระดิกหางเข้ามาต้อนรับพลางส่งเสียงงีดงาดท่านพระครูเดินนำนายสมชายขึ้นไปบนบ้านพบนางปัน่นนอนแบบอยู่บนเตียงข้างนอกฌานที่นอนเปียกชื้นด้วยน้ำปัสสาวะคละเคล้ากับน้ำเหลืองส่งกลิ่นเหม็นคลุง้ง โยมปัน่นอาตมามาเยี่ยมท่านเอ่ยทักนายสมชายยกเก้าอี้มาให้ท่านนั่งข้างเตียงลุงพ่อหรือจ้ะโถอุตส่ามาเยี่ยมขอบพระคุณมากจ้ะนางพูดพลางยกมือขึ้นประนมทั้งที่นอนแบบอยู่อย่างนั้นเนื่องจากป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้มาห้าหกปีแล้ว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 พระทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวหลวงพ่อมาเยี่ยมฉันก็เป็นพระคุณแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาให้ก็ได้นางปั่นพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรหรอกโยมอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปไม่ต้องคิดมากนี่โยมอยู่คนเดียวหรือโยมผู้ชาย ไปไหนเสนละท่านถามหาสามีของนางปันไปนาจะไปดูเขาเกี่ยวข้าวจ้างเขาคนละยี่สิบห้าบาทต่อวันก็เลยต้องไปคุมเห็นว่าวันนี้มากันตั้งสิบคนแล้วโยมกินข้าวกินปลายังไงละ่ะช่วยตัวเองได้บ้างไหม ท่านถามอย่างเป็นห่วงไม่ได้เลยจะหลงพ่อเมื่อเช้าทิศข้ป้อนข้าวแล้วก็ออกไปนากลางวันก็กลับมาป้อนอีกเรื่องกินก็เลยไม่ลําบากเท่าไรจะลําบากก็ตอนหนักตอนเบานี่แหละเหม็นคลุ้งเลยนางพูดอย่างเกรงใจท่านพระครูหรือว่าท่านจะต้องเหม็น ขนาดลูกศิษย์ยังเลี่ยงไปนั่งไกล้ท่านพระครูมีอันต้องกําหนดได้กลิ่นหนอเพราะเป็นคนรักความสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกเต้าเข้าไปไหนกันหมดละ่ะโยมมีลูกหลายคนไม่ใช่หรือท่านถามพลางนึกตำหนิลูกๆของนางที่ปล่อยให้แม่ต้องมานอนป่วยอยู่เดียวดายเช่นนี้เขามีครอบครัว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 เสียงแตรรถดังอยู่หน้าบ้านท่านพระครูหันไปมองก็เห็นรถบ m w อสีตะกัวตัดวิ่งเข้ามาจอดคู่กับรถตู้ของท่านคนขับเป็นผู้หญิงอายุในราว25มีผู้หญิงวัยเดียวกันตามมาอีกสี่ห้าคนฝูงสุนัขวิ่งกรูเข้ามาแต่ถูกคนที่ขับรถไล่ตะเพิดออกไปขึ้นบ้านก่อนเดี๋ยวไปเอาเงินกับแม่ เดี๋ยวไม่รู้ว่าหาให้ได้หรือยังหล่อนพูดพลางเดินนำขึ้นไปบนบ้านเห็นพระนั่งอยู่ข้างๆมารดาจึงยกมือไหว้หนูมาหาใครจะ่ะท่านทักขึ้นก่อนมาหาแม่จะ่ะฉันเป็นลูกสาวคนที่นอนอยู่บนเตียงนี่หล่อนชี้ที่มารดาส่วนเพื่อนๆของหล่อนนั่งรออยู่ห่างๆ หนูมาก็ดีแล้วช่วยซักผ้านุ่งและผ้าปูที่นอนให้แม่เขาด้วยกลิ่นอุจจระบระสวะคลุงไปหมดท่านถือโอกาสใช้ไม่ได้หรอกลุงพ่อหนูจะรีบไปพูดพลางหันไปมองเพื่อนๆซึ่งขยิบหูขยิบตาใส่ทำนองว่าอย่าซักจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะ ไปเผาศพญาติของเพื่อนที่อยุธยาค่ะหล่อนตอบรู้สึกไม่พอใจที่ถูกซักไซไล่เลียงก็ซักผ้าให้แม่ก่อนแล้วค่อยไปคงกินเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกหน้าหญิงสาวหันไปมองเพื่อนๆ อ, อย่างเกรงใจเห็นพวกเขาทำบุ้ยใบ้ว่าไม่ให้ซักจึงบอกท่านพระครูว่าไม่ได้หอกหลวงพ่อเดี๋ยวเพื่อนๆ เ, เ, เขาจะรอ ก็ให้เขารอสักประเดี๋ยวจะเป็นไรไปเดี๋ยวไปไม่ทันงานเผาศพหล่อนตอบเสียงห้วนรู้สึกรำคาญขึ้นมาต ง, งิดต ง, งิดเป็นพระเป็นเจ้ามายุ่งอะไรกับเรื่องของหล่อนขนาดแม่หล่อนแท้ๆยังไม่กล้าใช้ท่านพระครูลุวงรู้ความคิดของหญิงสาวการที่ท่านเซาซีให้หล่อนซักผ้าให้มารดาก็เพื่อจะช่วยตัดกรรมให้ แต่หล่อนกลับแสดงอาการไม่พอใจจนออกนอกหน้าท่านจึงพูดเสียงค่อนข้างดังว่าขอโทษเถอะหนูอาตามาขอถามตรงๆว่าคนที่ตายน่ะเขามีความสำคัญต่อนหนูมากกว่าแม่ของหนูเรื่องไงแล้วท่านหนูไม่ไปเผาศพเขาจะทำให้งานต้องล้มเลิกไปเลยใช่ไหม ท่านประชดหากหล่อนไม่สนใจหันไปพูดกับมารดาว่าแม่เงินสองหมื่นหาได้หรื อ, อยังที่หนูขอไว้จะไปพิมพ์วิทยานิพนธ์น่ะยังหาไม่ได้หรอกออหนูเอ้ยพ่อเองขโมวยุ่งอยู่กับเรื่องเกี่ยวข้าวเลยยังไม่มีเวลาไปหยิบไปยืมใครนางปั่นพูดอย่างเกรงใจลูกสาว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 อ๋อเรียนปริญญาโทเทวรกอยู่สถาบันไหนล่ะหญิงสาวเอ่ยนามมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยแต่ท่านพระครูกลับลงความเห็นว่าไม่น่าคนอย่างหนูนี่ไม่น่าจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยดีๆอย่างนี้ ทำไมหรือคะก็ทำให้เสียชื่อสถาบันเขาหมดนะสิท่านว่าเอาตรงๆเสียชื่อยังไงคะหนูเสียหายตรงไหนถามโกรธๆเสียหายตรงที่หนูไม่มีความกะตันอยู่กะตะเวทิตาธรรมอยู่ในจิตใจเลยนะสิแม่นอนป่วยแทนที่จะมาพยาบาลรักษา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 ท่านพระครูเทศยืดยาวโดยไม่ต้องมีการอาราธนาท่านรู้ว่าหญิงสาวผู้นี้จะต้องรับกรรมอย่างหนักอยากจะช่วยให้กรรมนั้นเบาบางลงจึงต้องลงทุนเทศนาหล่อนทั้งที่รู้ว่ามันทาให้หล่อนขัดเคืองด้วยความเมตตาสงสารไม่อยากให้เขาประสบเคราะห์กรรมท่านจึงพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนว่า หนูอาตมาขอร้องเถอะหนูช่วยเอาผ้าแม่ไปซักหน่อยแล้วหนูจะเจริญรุ่งเรืองเทียวละนี่ถ้าอาตมาไหว้หนูได้ก็จะไหว้เดี๋ยวนี้เลยนะหนูนะไม่ทรงไม่ซักหรอกคนจะรีบหลวงพ่ออยากซักก็ซักไปเองสินิสิตปริญญาโทรกล่าวจุ้งจับพระสงค์ หนูนี่ทาโยมปัน่นเป็นแม่อาตมาอาตมาจะซักให้หนูดูอย่างไม่นึกรังเกียจเลยแต่จนใจที่ทำไม่ได้เพราะมันผิดพระวินยัยพระวินยัยอนุญาตให้ทำให้แม่ได้เท่านั้นทำให้คนอื่นไม่ได้วินงวินัยอะไรหนูไม่สนใจหรอกหนูไปละ แม่ไปก่อนนะอย่าลืมหาเงินไว้ให้ด้วยล่ะพูดแล้วก็ชวนเพื่อนๆลงเรือนไปไม่สนใจที่จะไหว้าลาท่านพระครูด้วยซ้ำเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองตามรถบ m เอ็มด้วยความรู้สึกสลดหดหูท่านหันไปพูดกับนางปั่นว่าไม่ไว้นี่โยมเลี้ยงลูกแบบไหนถึงได้เป็นอย่างนี้ เหมือนเวรกรรมของฉันจะหลงพ่อนั่งปั่นพูดไปร้องไห้ไปนี่เขาก่มอาคมโขจะเอาเงินไปพิมพ์หนังสือฉันก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนให้เขาสมบัติอะไรก็แบ่งให้ไปหมดแล้วหน้าสามร้อยไร่นั่นเขาก็ขายหมดเอาไปแลกรถคันนั้นได้ขันเดียว บอกเขาก็ไม่เชื่อห้ามเขาก็ไม่ฟังนางร้องไห้เสอือกเสือื่นนี่ดีนะที่เป็นลูกโยมถ้าเป็นลูกอาตมาแล้วก็คงตัดหางปล่อยวัดไปแล้วอย่าไปว่าเขาเลยจ้ะหลวงพ่อมันเป็นกรรมของฉันเองนางปั่นไม่ไวายเข้าข้างลูกขอถามหน่อยเถอะโยม ตั้งแต่โยมนอนป่วยมานี่ลูกสาวเขาเคยซักผ้าให้ไหมผ้าที่เปื้อนอุจระปัสวะของโยมน่ะไม่เคยจ้ะเขารังเกียจมีแต่ทิศนั่นแหละเขาซักให้นางหมายถึงผู้เป็นสามีพูดยังไม่ทันขาดคำนายขำก็ขึ้นเรือนมาครั้นเห็นท่านพระครูจึงเข้ามานั่งยองยอง ยกมือไหว้หลวงพ่อมานานแล้วหรือครับสักพักหนึ่งเห็นจะได้เป็นไงวันนี้เกี่ยวข้าวได้กี่ไร่สักสามสี่ไร่เห็นจะได้ครับวันนี้จ้างคนมาเกี่ยวสิบคนเดี๋ยวนะครับผมขอตัวไปหาน้ำมาถวายหลวงพ่อก่อนพูดพลางตั้งท่าจะลุกขึ้น แต่ท่านพระครูห้ามไว้ไม่ต้องหอกโยมอาตมาเรียบร้อยมาแล้วโยมมาเหนื่อยเนื่อยนั่งพักเสียก่อนเดี๋ยวอาตมาก็จะกลับแล้วทีเมื่อกี้อินูมันมาเอาเงินแน่นั่งปั่นบอกสามีแล้วแกทำยังไงละ่ะบอกมันว่ายังไง ก็บอกไปว่ายังหาไม่ได้ถ้าทางมันโกรธเชียวลูกสาวโยมนี่ไม่ไหวเลยนะอาตมาให้ช่วยซักผ้าให้โยมปัน่นเขาก็ไม่ยอมซักท่านพระครูฟองเลอเกินเลยแหละครับหลวงพ่อเขาถือว่าเรียนสูงกว่าพ่อแม่จะสอนจะสั่งยังไงเขาก็ไม่ฟัง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 การนอนแบบอยู่กับที่เป็นเวลาแรมปีทำให้เนื้อบริเวณหลังเปื่อยกลายเป็นแผลเรื้อรังน้ำเหลืองไหลยเยิม้มแกก็เข้าข้างมันทุกทีมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงล่ะในคำว่าพัญญาก็มันจริงๆนี่นะหลวงพ่อเชื่อฉันเถอดจ้าว่ามันเป็นกรรมของฉั้นเอง ฉันทำกรรมไว้กับแม่ลูกก็เลยทำกับฉันเหมือนกับที่ฉันเคยทำกับแม่ฉันจะเล่าให้ลุงพ่อฟังนางหยุดหายใจลึกๆสองสาครั้งแล้วจึงเริ่มต้นเล่าด้วยเสียงแหบเครือแม่ฉะอนก็เป็นอัมาพาตนอนป่วยอยู่เป็นปี ฉันไม่เคยซักผ้าให้แกตอนนั้นฉันอยู่กับยายไม่ได้อยู่กับแม่เวลายายให้เอาข้าวมาส่งแม่ฉันก็เอามาส่งแล้วก็รีบกลับไปบ้านยายแม่เคยขอร้องฉันว่าอีหนูช่วยซักผ้าให้แม่หน่อยฉันก็ไม่ยอมซักพ่อกลับมาจากนา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 นางปั่นเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ท่านพระครูฟังอ๋ออย่างนี้เองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเข้าใจเดียวนั้นว่าเหตุใดท่านจึงมองเห็นกฎแห่งกรรมของลูกสาวนางปัน่นครั้นจะเล่าให้สองผัวเมียฟังก็เกรงเขาจะไม่สบายใจจึงนิ่งเสีย อาตมาเห็นจะต้องลากลับเสด็จทีโยมจะได้พักผ่อนกันหรือว่าท่านจะกลับนางปั่นก็มีอันเจ็บปวดตามเนื้อตัวขึ้นมาทันทีตอนคุยกับท่านรู้สึกเพลินจะลืมความเจ็บปวดนางร้องครวญครางขึ้นว่าหลวงพ่อฉันอดอะมาอันเหลือเกินช่วยฉันด้วย โยมเคยเข้ากรรมาฐานมาแล้วไม่ใช่หรืออาตมาจำได้นะจำได้ว่าโยมเคยไปอยู่วัดป่ามะม่วงหลายวันจ้าท่านเคยไปเข้ามาสองครั้งตอนก่อนจะล้มป่วยครั้งแรกอยู่เจ็ดวันครั้งที่สองสิบห้าวันนั่นแหละ โยมก็เอาวิชานั้นนั่นแหละมาใช้ใช่ยังไงจ้ะหลวงพ่อฉันลืมหมดแล้วเพราะตั้งแต่กลับจากวัดก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกยิ่งพอมาล้มป่วยก็เลยเลิกพูดถึงไปเลยเอาเถอะลืมก็ไม่เป็นไรอาตา ม, มาจะช่วยทบทวนให้ก็ยังดีกว่าเริ่มใหม่ทั้งหมด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 ไปตามที่เป็นจริงถ้ามันทั้งเจ็บทั้งปวดก็กาหนดว่าเจ็บปวดหนอเจ็บปวดหนอกกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็รู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นมันคลายลงโยมทำได้ไหมละ่ะเจ้ คิดว่าคงทำได้ต้องทำได้สิอย่าไปคิดว่าคงทำได้ตั้งใจให้แน่วแน่ลงไปเลยว่าต้องทำได้โยมต้องใช้สติคมทุกขเวทนาให้ได้เข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจจ้ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากถ้าหลวงพ่อพอมีเวลา กรุณามาเยี่ยมฉันอีกนะจ๊ะฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานอย่างน้อยลุงพ่อก็จะได้มาช่วยส่งวิญญาณฉันให้ไปสุขคตินางปั่นพูดอย่างคนที่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องให้อตมาส่งหรอกโยมส่งเองก็ได้เราเคยปฏิบัติแล้ว เราก็รู้แล้วนี่ว่าทางไหนเป็นยังไงถ้าเราอยากจะไปทางสายนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรรู้จักแต่เวลาปฏิบัติมันทำไม่ได้อย่างที่รู้นั่นแสดงว่าโยมรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องปฏิบัติได้จําไว้นะโยมวันนี้ อาตมามาให้สติโยมหลายเรื่องด้วยกันและถ้าโยมปฏิบัติตามได้โยมก็จะพ้นทุกได้อาตมาลาละนายคำกุลีกุจอตามมาส่งท่านที่รถซึ่งนายสมชายลงมารออยู่ตั้งแต่ได้ยินว่าท่านจะกลับท่านพูดให้กำลังใจในคำว่าอดทนเอาหน่อยนะโยมนะคิดเสียว่า เคยทำกรรมร่วมกันมาโยมปั่นเขาคงจะเคยปรนิบัติโยมมาแต่ครั้งอดีตโยมก็เลยต้องมาทำให้เขาบ้างก็ใช้ใช้หนี้กันเสยให้หมดจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันครับหลวงพ่อชาตินี้ผมเกิดมาใช้หนี้ลูกใช้หนี้เมียก็จะตั้งหน้ารับกรรมไปจนกว่าจะตายชาติหน้าชาติไหน ผมจะไม่เกิดเป็นไอ้ค้ำอีกแล้วขอเกิดเป็นพระอย่างหลวงพ่อดีกว่าจะได้ตัดภพตัดชาติให้สิ้นไปพูดอย่างคนที่เข็ดหลาบกับชีวิตดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาถ้าโยมต้องการอย่างนั้นก็ขอให้อธิษฐานจิตแล้วหมันสวดมนต์ภาวนาถ้าจิตถึง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 จะบรรลุถึงจุดหมายได้เร็วหรือช้านั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเพียรของตนเองเป็นสำคัญก็ตามรถเคลื่อนออกพ้นบริเวณบ้านมาแล้วนายสมชายจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อนั่งคุยอยู่ได้ตั้งนมตั้งนานไม่รู้สึกเหม็นบ้างหรือไงขนาดผมนั่งอยู่ห่างๆยังแทบอ้วกท่านพระครูไม่ตอบแต่กลับถามขึ้นว่า เธอเห็นลูกสาวเขาไหมคนที่ขับรถบีนอมนะช่างน่าเกลียดเสียเหลือเกินน่าเกลียดอะไรกันเขาสวยออกเสียดายที่ผมเกิดช้าไปหน่อยไม่งั้นผมจีบแล้วทั้งรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาเธอก็เห็นแต่รูปภายนอกทรัพย์ภายนอกเท่านั้นแหละแต่รูปภายในทรัพย์ภายในเธอไม่เห็น ก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นนี่ครับหลวงพ่อจำเป็นสิสมชายทำไมจะไม่จำเป็นเพราะคนเขาคิดอย่างเธอนี่แหละทีวิตคู่สมัยนี้มันถึงหาความสุขไม่ได้เพราะดูกันแค่ภายนอกนี่เองผมไม่เถียงหลวงพ่อดีกว่าชักปวดหัวตงิตตงิตแล้ววันนี้เจอแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นทำไมผมจะต้องมาเจอเรื่องหนักๆในวันพระฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่ผมเกิดเอาละ่ะไหนไหนก็เจอแต่เรื่องหนักๆมาแล้วก็มาเจออีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเอาหนักเสวันเดียววันอื่นจะได้ไม่หนักเธอรู้หรือเปล่าฉันเห็นกฎแห่งกรรมแม่หนูที่ขับบีเอ็มนั่นแล้วในอนาคตเขาจะต้องเป็นอมพาศเหมือนแม่เขา แล้วลูกเขาก็จะไม่มาปรนนิบัตยิยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือสามีจะทิ้งเขาไปมีเมียมใหม่จะไม่มาคอยดูแลเหมือนที่พ่อเขาดูแลแม่เขาถึงว่าสิหลวงพ่อถึงได้คาดคั้นเขานักให้เขาซักผ้าให้แม่หลวงพ่อต้องการจะช่วยเขานี่เองแต่เขาก็ไม่ยอมรับความวังดีของหลวงพ่อน่าสงสารจริงจริง นี่ถ้าผมอายุเท่าเขาก็คงไม่คิดจะจีบแล้วนี่ถ้าผมอายุเท่าเขาก็คงไม่คิดจะจีบแล้วผมขี้เกียจมานั่งสักภาคขี้พะเยี่ยวให้คงเป็นตายแน่ๆนายสมชายทำท่าสะอิดสะเอียนฉันถึงว่ามันเป็นกรรมไงละ่ะกรรมที่ไม่มีผู้ใดจะช่วยได้ฉันก็พยายามแล้วแต่มันไม่สำเร็จผล ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมดังพุทธพจน์ ท, ที่ว่ากรรมุณาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม